ว่าทำไมมันเห็นความจริงพี่พูดประเป่าเหมือนหลอกกันนี่ไม่ได้หลอกนี่พูดจากความจริงอัฐฐานเต็มที่ในความจริงเราเคยพุทธิภาเคยปฏิบัติมาแล้วด้วยแม้แต่เวลาเล่นความเพียรมันถึงขั้นความจริงมันนันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันทีไม่กล้าหาวววเวลาจะตายมันจะเอาเวทนาตัวไหนไปหลอกเราวั้น่ะมันมันจะเอาเวทนาตัวนี้เองไปเวทนาตัวนี้ก็รู้มันแล้วนี่ตัวไหนจะมาหลอกเราได้วะน่นเพียงขั้นนั้นมันก็ยัง ถึงความจริงนั้นมันถึงใจของตัวเองไม่จะโต้ทานเรื่องความตายค้นลงไปหาเรื่องความตายอะไรมันตายแน่ค้นลงไปยิงไม่มีอะไรตายดินเป็นดินน้าเป็นน้าลมเป็นลมไปไรไปเทฐานะก็เกิดดับกระดับของมันอยู่ในนี้ท่านท่านยังไม่ตายนี่มันเกิดดับของมันให้เห็นอยู่ประจำแล้วอะไรมันตายแล้วคนกันมาดูจิตจิตมันยิ่งเด่นมันอะไรมาตายเนาะมันโกหกกันโูกนี่ว่าเฮ้ยโกหกกัน คำไม่ได้หมายถึงว่าเขาเจตนาโกงกนะแล้วก็พูดติดป่ากเลยว่้ยโรื่งนโกงกันก็ยิ ง, ง, งกกคือกิเลสเนี่ยโกงคนอเวลาฟัดกันเต็มเหนี่ยวเรื่องทุกเวทนาเราก็ไปได้ตอนเรานั่นงหามหมูหามคําแล้วตอนมันจนกองฟัดกันก็ไปได้รักที่ฆ่านี่มากฝังใจยึดไม่ลืมมันเป็นเร่องจริงๆนไม่มีใครอะไรกลัวอะไร ก็มันมีแต่ของริงเต็มตัวกลัวอาอะไรนั่งค้าก็จริงตามเรื่องของกาจะเวทนามันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็เป็นความจริงของมันอันหนึ่งจิตมันก็เป็นความจริงของมันต่างอันต่างตั้งแต่กิ่ววิชามันอยู่ในจิตนี้นะมันมันก็ทราบวันนี้ได้ชัดเจนจิตคือจรินของจริงจิตเป็นผู้เปหมายต่างหากพอจิตหยุดความหมายพอจิตรู้จริงในสิ่งนั้นต่างต่างกินน้ำมันไม่กระทบกันเมื่อเวลาตายอะไรตายก่อนตายหลังก็ตาย สุดท้ายมันก็มีอะไรตายพิญญาณมี1ิตตัวทีก่กลัวตายตายมันก็ไม่กลัวโด น, นนั้นด้วยมันก็ไม่ตายด้วยมันจึงเด่นมันโกโหกกันเนี่ยไม่มีใครระบอบมันก็รู้เองอทำมือเจ้าค้าในที่ไหนวะมันหาที่พากเมื่อยังเหมือนองค์ศาสดาประทับอยู่งหน้าตลอดเวลานี่เนี่ยสำคัญตรงนี้ความจริงนั่นอ่ะคือศาสดาแท้คือความจริง จิงแห่งองค์ของศาสดาแท้กบคือจิตที่บริสุทธิ์เป็นความจริงยังไงเอาอันนี้คป็บริสุทธิ์จรินยังไงเท่านั้นเองพอแล้วเรื่องภายนอกมันเป็นปริยายอันต่างอันต่างจริงเขาไม่รูว่าเขาเป็นอย่างนั้นนั้นเขาคิดว่งเขาเป็นอันหนังเสียเอาตรงจิตนี่เลยกินไปองศาสดาแท้ร่างกายนี่เป็นเรือนร่างต่างหักไม่ใช่องค์ศาสตาที่แท้จริง เปนเือนร่างของาศาสดาจึงมีการล้มหายตาจากของนิพพานที่หนุ่นที่นี่เป็นรือนร่างของตถาคตเดือนร่างของพุทธะพุทธะแท้นิพพานที่ไหนฮสมมุติใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องได้โลกศูนย์ศูนย์ศูนย์แบบงมเงากันแบบแบบโลกนิพพานไม่ศูนย์แบบโลกไม่ได้มีอยู่แบบโลกนี่โลกจะเอื้อเขาไปถึงได้งไงนั่น เท่านั้นเองเพราะนั้นไม่ใช่แบบโลกงมเงากันวะ่ะฟังใจปฏิบัตินี่มันเห็นจิงพูดเหมือนหลอกกันเล่นวะ่ะจริงเนี่งคําเดียวกันนะไม่มีคำสองกันนะธรรมอาวุธเจ้าเป็นของจริงกันเดียวกันลงถึงใจให้จริงเต็มที่แล้วเต็มที่เหมือนกันหมดพระเจ้ากี่มือกี่ล้านกี่แสนดวงหาความสงสัยไม่ได้สงสัยอะไรกั น, นถ้าไม่สงสัยอันนี้อันรู้อยู่นี่เสีย ก็ได้สงสัยวุิเจ้าพระธรรมประสงค์ที่ตรงไหนวะพระสง์นั่นก็เป็นคิริยาของข่าขันต่างหากพระสงฆ์สาวกวุติเจ้าพระสงฆ์สาวกรวมแล้วยืนทาทั้งแท่งอันเดียวกันเท่า anyway? นั้นพ so อกำลังจะเป็นบ้าแล้วนะเดี๋ยวหนีเมย์พวกท่อกันนี่มันเป็นเลยไมเบี่ยงอ้อบ้าขืนเราดิเพราันเราองเก็ดตะกี้องบรรดีมาบอกอย่างเวลาอ้างอะไรลิงขึงขืนเหงือโยมเนี่ยมัขึงใจิจกนั้ มันถึงใจงนะพูดออกมาในความจริงวงปปะหมาไว้ันใดนั้นต่กีเลืยกยองหัวพระนีม่มันโมโหใไรว่านะแหัวม้วหัวมองตาเป็นตัวเดียวเห็นมั่งไปตรงไหนนี่นนต่กีเหลือกหยียบยําทํำลายหัวพระหัวเนนเต็มมัดเต็มว่าไม่ว่าเท่าว่าแก่ว่าหนุ่มว่าอะไรไมิถูกกิเลสเอาจิ้งกิ้งเหมือนหมากัดกันกิเลสเอาพระเรามิ้งกิ้งมันหน้าโมโหดีว่ะ เดินนี่ผมโยกติ้งอยู่ก็ทาง น, นีผมนั่งอยู่กติ้งอยู่กับนั่งพอวัา น, นั้นติ้งก็บหวนั้เดินไปไหนไมันจะยีเดี๋เหยียบหัวตัดแหลกติ้งไปอยู่ตลรดเวลาไอเรามันทําไมจะไม่โมโ oh หเห ม, มือนที่เรมาเหมือนก็บก่าครูวมวยนะฝึกมวย จ, จนเต็มที่กําลังบังชาหลักวิชาทุกด้านฝึกให้อย่างเต็มที่เวลาขึ้นไปไปเป็นกระสอบแล้วก็ต่อยอยูปุ่งปุงมันจะไม่โมโ oh หไงครูวมวยมึงตายอยู่ไรหาก็ว่างนี่สิ กูสอนต้องไม่ได้เป็นสอนนะเป็นกระสอบมีนารแต่มันมื่อไงเาเตะอยู่กระสอบกสอบตายแล้วเหรอมันก็นโมโหที่ครูมวยมองเห็นเป็นกระสอบแล้วเขาต่อยอยู่ฝังมันมากจะเตะมากจะสอบจะเข่ามากนะฝังหวังโอ้ทุ่นโอนี้ก็อยู่อย่างนั้นทําไมครูมวยที่ฝึกลูกศิษย์ของตนที่ถูกเขาต่อตอยู่บนกระสอบนั้นที่มันจะไม่โมโหอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะทีแล้วก็สอนมืนอพ่วงก็สอนแต่แม่ต้อสอนแต่พี่แต่ฐานไปที่ไหนนักกีฬามันตอบมันต่อยมันตะ ตกเวทียุ่ไรก็ตกอยู่ตลอดเวลามันอะไรกันนี่ห่อสิมันหน่าโมโหอ่ะวิชาที่จะต่อยให้กิเลสมันหายมันมีนี่วิชามวยก็เหมือนกันที่จะต่อยคู่ต่อสู้หายมันมีไม่ไม่มีทางที่เอาต่อยเขาต่อยเอาต่อยเอาบางทีขึ้นไปมันก็ต่อยอะไรกิเลอยู่เหมือนกันมันต่อยเอาต่อยเอามันมีหนังเลยอเนี่ยทะเลาะปอกเปิกไปหมด ไม่รู้ว่ากลิ้งไปกี่เพล็กกี่ปีน่ะนี่กิเลสตายอ่ะน่าโม้พูดอย่างนี้ขบขันเนี่มันก็อาเดชเอาฝันมากี่กันกิเลสมันยาวมาแหลกมันก็เป็นอย่างนั้นจริงกิเลสกับเรามันไม่ทันมันนี่นะอืมมันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วพูดครอเปรียบเทียบคือกิเลสมันเร็วมันแหลมคมมันไม่ทันมัน เราเรียนวิชาให้เหนือมันสิทำไมจะรู้ไม่รู้มันปะฮะกิเลสตรงนี้มันอยู่หัวใจเรามาพอแล้วนี่นะแล้วถูกปราบแหลกไปเพราะวิชาอะไรทําไมจะไม่รู้เรื่องของกิเลสนั่นนั่นแหละสิมันโมโ ห, โหนะขึ้นบนก็็เปนกระสอบแล้ต่ อ, อยเขามึงจะเอาหน้าไว้ตรงไหนลราครูนะเหน็บเหมือนกันมองไว้ที่ไหนไม่เลย ต่อยเป็นกระสอบมองไปได้เห็นตะกระสอบเคลื่อนที่กรรมฐานเคลื่อนที่เสร็จกรรมฐานเคลื่อนที่ีเเเ่เด็ดต่อยเขาทุกครั้งหน้าโมโหเวลาก่เด็สต่อยเขต่อยเขพอแล้วนะมาพูดอยู่นี่ก็ดีเวลาต่อยมันกับแหมไม่ลืมนะเหล่านี้ไม่ลืมเวลากิเลส ม, มีอำนาจมันเอาจริงๆ เอมันกล่อมน่มือไม้จิตใจอ่อนเปียกไปหมดเลยมันเต่าไม่ได้ถึงพูดอย่างนี้หลอกนะเพียงมันไล่ม น, นั่ น, นแหละล้มละนาวไปแล้วอมนของกิเลสนเต่งมากนะพอไล่มนธรรมขึ้นมาไล่มนสติธรรมวิทยธรรมขึ้นมาขันติธรรมขึ้นมาพ อ, อังจากนั้นก็ปัญญาธรรมขึ้นมาเอาละทีนี้อา่า แพ้ ท, ที่ชนะอันไปหลังอ่าเอาแล้วมีแก่ใจเรานั่นเป็นเหตุได้กำลังเร้มันล้มเพราะหมัดเรามีนะเนี่ยว่ะอ่าอ่าคราวนี้กูต่อยมันล้มคาราวูก็จะเตะมันมันล้มคราคาราวามันก็ใส่ปังันล้มโอ้มันก็ล้มด้วยเท้ากูเหมือนกันอย่าว่าแต่กูล้มโดยเท้ามันเลยเนื้อมันกูล้มโดยศอกมันมันก็ล้มโดยศอกกูเหมือนกันอืมมันล้มโดยเข่ากูล้มด้วยเข่ามันมันก็ล้มด้วยเข่ากูเหมือนกันเราไปมาวิชางมันที่เคยมันเอาเราล้มเราก็เอาวิชางเรานี่ยล้มแล้วเหนือมันอีก เนื้นอมันเนื้นอมันี๋ยวเขาไปเดินแบบเอาที่นี่กิเลสตัวไหนมันจะโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาก็แหลก่ยถึงขั้นสติปัญญาเตรียมกายที่เดี๋ยวต้องหมอบที่เดี๋ยหมอบก็คืออุบายกิเลสแสดงว่าเรายังไม่ทันมันต้องหาเวลามันโผล่ขึ้นมาเะก่อนน่ะแสดงว่าเรายังไม่ทันมันหมอบยังไม่เห็นมันเอาอีาุอยเฮียคุณยกโผล่ขึ้นมา ขุเ่เฉียวเป็นวิชาธรรมติปัญญาผู้เขี ย, ยจนโผล่ขึ้นมาจนได้ฟาดอีและแระหาเรียบในจิตอะไรจะมาโผล่ที่นี่นั่นเอานักเลยตายไปเลยไม่ต้องมันฟื้นแหละหาไปแล้วไปเลยนั่นหนุ น, นักรคชั้นเอกไปดิไม่ใช่เอกตาเดียวอนวะ <laughs> นี่ไม่ใช่พวกเอกตาเดียวตาข้างเดียว เอกไม่มีคู่ต่อกอนนะิเรียกว่าเอกเีมเห็นพ่อแม่บอจางยากรเทพยาก่อนเราก็ไม่เคยแต่พอทราบหากมันไม่ถึงใจอย่างทุกวันเหมือนอย่างทุกวันเราก็ทราบเราไม่ถึงใจท่จานเราคิดจตมันเป็นเพียงค า, าดผ่าดไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่อยที่เวลามันเต็มแล้วมันไม่้โอวเวล า, าลัุนเทนเสียงตั้งวันหนุน สะพานได้ยินชัดชันนั่นแหละถึงจะไม่ชัดพอจะทาก็ตามได้ยินเสียงแมวแมวแมวอะครับสะพานอ้วนเนี่ยที่ประตูวัดเนี่ยเท่าธรรมาสูงเท่าไรสูงเท่านั้นยิ่งไม่เสียงนี่เสงท่านกังวานเลยนะเท่าเป็นนามเท่าไรเสียงยิ่ดังนี่กังวานแผลดเข้มข้นพร้อกันกับอัดเนื้อเมตตามเลยทําทำทำสูงเท่าไรยิ่งเหมือนเตีวเตีต่วยวมนันยังไง มือนี่อย่างนี้ท่านมีนิสัยถ้าท่านเด็กกับพระกเนิดท่านมีมืออะได้วยนะท่านเวลาท่านออกเต็มที่นี่มือเ่านด้วยกระถุนที่ิงตกพักหนึงท่เลยหยุดนี่วงก็ไปด้วยท่านเลยหยุดเอายังกระถนตกเลยนะตอะนั้นท่านก็ย้อนปักแล้วเป็นไงขีเหล็มีตกสักตัวไหมล่ะนั่นหลอแล้วนะไม่มีแต่กระถนตกเลย ไม่ได้เท่ากตาุ้นฟะังเลยนะนัน น, น, าานั อ, อาถานอาวอาถานไหนดูร่างนันก็ไม่เลยตัวแต่ว่าดูกิริยาท่าทางเป็นอาถานไหนไม่มีองค์ไหนเหมือนมะดูเราจะทำยัไงมาพูดอะไรันเหมือนท่าน เราพูดอย่นี้คิดปาติว๋ว อ, อเราพูดนนมันมันท่านแต่เทพเทพพระท่านเคร่งอะไ่ า, น, า, ไานี้เลยนะแต่เทพก็ย่าโยมรู้สึกกุกกะกุกดังนั้นละ่ะสมมุติมันต่างขั้นกันเพราะผมนี่มันเป็นคนนั้นอย่างนี้นะเราจะว่ากล้าหานก็นใช่ค <c oughs> ือท่านเหมือนพ่อไงวะโอ้ย <c oughs> มีมีผมแล้วเลี้ยแค่เลีขาแล้วเจะสบายนอน ก, กันไมีกล้าหรอกนะเลี้ยแล้วก็ไม่ใช่เลี้ยประจบนี่เลียดูความหลักของเราดูความคารม่วามนมัสการของเมันชุดเข้าใจเราทุย่างแล้วท่ามอะไรทุย่างกับท่านเหมือนกับประจบประแจง น, นั่นพูดอ่อนนั่นอ่อนนี่กับท่านได้สบาย <S <S <S <S อุ น, นั่นไม่ได้นะเพรมันมาไม่ถูก ไม่ถ wow. ูกท่าแล้วก็แขกอุ้ยกระวางแตกห่ายหมาจะว่าง่ายคนเลยว่าง่ายว่าแล้วเนี่ยกินวันนี้มันผิกว่นนี้ขืนตานี้อี๋ะนีตีเพราว่านี่ยบ้าผิกานี่ลุกก็ได้ข้นมาทานีอี๋ถึงเงินบางทีเราก็มามันเป็นยังไงนี่ว่างี้เราพอแม่ครูอาจารย์เวลาเทศสอนทานมันน้ไหลยังไม่เร็วกว่าเราทำไมถึงขั้เหมือนทั่ง ตวจปฏิบูรากยังไม่อด้เร็ววันไม่เข้าวันเวลาเทศอนประชาชนเป็นยังไงลักษณะมันเป็นลักษณะคือกักกับไม่สะดวกบางู่แล้วผมพูดคงต่างกันนั่งพ่งอแม่ครูอาจารย์เทศศรภาคกับเทศสอนวมรู้สึกต่างกันอยู่มากแะหว่านี้แล้วาวเทศศรภาคนี้ไหลไปเลยนี่ในเทศศรรวมรู้สึกไม่สะดวกเลยมันจะสะดวกทงใจที่งมงปลาราุ่มขันบมไปืม งมปลาหนอกสุมนี่ยกไปสวรรค์ฉันนั้นยกไปสวรรค์ัคนนี่ด้วยก่มดีได้บ่เด็ไี่าดีแลี่งมปลานอากสุมมันไ่ได้เลือกนี่ยั ง, วงเว้ยง้องนซุมที่ถ้าจะทำอยู่นี่คว้างไปดีสิสวรรค์นี่พันรูอยู่นี่สิมันจะไปดูที่ไหนวะมันวางไม่ต้องถ้าจะพูดถึงการคนบันดารเได้ดมันเหมือนกับอะไรมันรูอยู่นี่หมดถ้าจะเทียบตรตัวน ม, มันก็เหมือนเลยได้มันวางเลถ้าคนบัาเลยไ ด, ด มันรู้ยีนี่หมดขอตัวนี้มันแจ้งขนาดนี้ไปงบปรมาณออกซุม้มันบอกนี่หลยคำนี้ผมนักจ่อท่านจวนนี้เรองกันทีว่าหัว่าดื่มผมเหนื่อยมันมีข้อคิดตีเรื่องถามท่านหนึ่งนะผมพูดมาเงนมันมีเงินทังนันขึ้นทันี้มันมีเงินแต่ทงนั้นล่ได้โอกาสเอาแล้วบหมประมวนไปมันบลืมเหรอเป็น พอได้โอกาสปั๊มเอาหลังในมานาพื้นด้วยยิงปฏิบัติถ้ำกันสูงมเงนไปเอมันเอากันเรื่อยนะครับท่านให้กันเรือยซั์กันเหมือนว่าติแตกก็นม่่ายเถอะแตกวมดวัตหนึ่งเป็นไี่ผ้มีอย่างของราการนวนาผมพูดทํามาภรผมเคยพูหลายคนไหเพิ่นอ่าก็เคยถามผมนะน้อพระแม่ครูจานทร์ ไม่เคยถามไปง่ายกิ น, นเวลามีพ้าเนี่ยอยู่นั้นตั้งแต่สามองค์สีงไปแล้วท่านไม่เคยถามผมแม้แต่สององค์มีพ้าสององค์อยู่กับผ ม, มท่านยังไม่ถามว่างไงท่านก็รู้นิสัยผมเพราะผมไม่พูดมันไม่รู้ไม่ชี้ต้เอาสองบสองอ่ะพอมีสองกับสองนั่นแหะท่านเราไม่ขึ้นก่อนท่านถามทันทีเลยไปยังไงออไเอาเลยะป๊บเลเดี๋ยวนั้นท่านมีเราก็ ผูมของเรามียังไงเอาตามภูมของเราเป็นภูมของเราคงไหนที่ไม่ลงกันตรงนั้นน่ะมันจะถกกันนะเมื่อลงแล้วตันทีกันทีัทนธรรมะขันอยดเนี่ยมันเอาเรื่อยละขัานกัรนปัญญาเนี่ยเอาเรื่อย <c oughs> เพราะวันหนึ่งวันหนึ่งมันค้นทั้งวันนี่มันจะไม่ได้ปัญหาขึ้นมาได้นคืนนอนไม่หลับตลอดรุ่งคืนนอนหลับขึ้นมานั่งอทำแต่งานมันจะมันเหนื่อยเอานอนนอน้องไม่ไม่ปล่อยมือทํางานอย่างนั้นจิตมันปีนาสุดท้ายก็เลยแจ้งอะไรเฉยไงทั้งวันมันหนึ่งก็ไม่นอนอีกมันจะเป็นตายแราอย่นงเราอ่ะมังครับ เข้าสู่สมาธิสมาธิหายมัดตอนนั้นนะ่ะมีแต่เรื่องของปัญญาโอ้โหกว้านทั่วโลกกท่านเดี๋ยวคำว่าสมาธิหายในตอนนี้มันได้หมายถึงว่าไม่มีสมาธิเลยนะมันมันทุ่มไปทางปัญญาทั้งหมดผอมันจะตางินมันก็ลั่นเข้ามาสู่สมาธิจนกระทั่งเลยพุทโธนะ่ะทียิบกับผมะ่ะคือามัด จ, จิตไม่งั้นมันจะโดดไปหางาน บางทักก็มาบริกรรมไปพุทธโธพุทธโททธก็มัก่อจิตมันไม่เผย อ, อยู่แล้วนี่เป็นเทียงมันยุ่งอยู่กับงานต่างหากเมื่อมานี่นคําว่าคําว่าเผยนี่มันพูดไม่ออกแล้วเนาะว่าราเมือว่าง้นอะพรามูลก็พุ่งถึงงานเลยแล้วว่าเราเผอมันไม่เผยเนี่ยจะไปว่าเผอได้งไงมันไม่เผยเพราะมันอ่อนทั้งนี้ทั้คือมันจิตมันจ่อยอยู่นู่นแล้วพร อ, อ่อนนีนป้ามันพุ่งถึงนู่นเราเพราะนั้นเราล้งไว้ให้หนักวอาพุทโธพุทโธถีบยิบใหมันออกไปนู่น หนังดังนั้นต่างหากนะมันไม่ได้มันออกไปโลกสงสารโอยมันไม่ได้ออกแล้วนัะมันออกไปหางานทั้งหมถี่ยิบไปมันไม่มีช่องออกแล้วมันก็สงบโอเยอยู่แล้วมันสงบนะเหมือนถอดเสี้อถอดน้ํานะแล้วก็โดนมันอ่อนลงอ่องอ่อนุทโธุ่ทโธ่พทโธ่ถีลไปจนกระทั่งเน่าหยาบเลพุทโธกับความรุนเป็นอันเดียวกันที่นี่มันก็ปล่อยมันเอง แน่วเป็นเพียงว่าสติต้องท่านนะะ ม, มันไม่ใช่แนวแบบที่มันนอนตายนะมันแน่วพอเรารามูลมันจะโดดแรงงานบางครั้งมันยังใช้แรงานด้วยมันคนมาอีกหิวเมื่อรล้าจะตายเนี่ยข้าวก็หิวอะไรก็หิวทุกอย่างมารับทานนอนนอนในหมู่มันล้มทั้งหลับไปเลยเนีันเป็นอย่างนั้นเลย ความเพลินในงานนี่กําลังสมาธิมันไม่สนใจนะพลังของทางนั้นมันมีมากกว่ามันหมุนไปหมดแต่เวลาจะตายจริงมันก็ต้องทําอย่างนั้นนานๆทําริงเวลามันผ่านทุกปันเวมันถึงรู้ว่าอสมาธิมีความสําคัญอย่างนี้อย่างนี้นะปัญญามีความสำคัญอย่างนั้นสาคัญต่อคนละด้านสําคัญต่อคนลวาระนั่นเพราะนั้นใครจะมาลบล้างสมาธิไม่ให้มีมีแปัญญาเดียวไม่เชื่อเลยนี่ จะมาโกหกว่างั่นเลยดวงสมาธิใครมาโกหกเราได้หะอแล้วเป็นมาเท่าไหร่ต้องทํามีพิธีดีตองอะไรหรอเพราะความทํานานของสมาธิกาหนดเมื่อไหร่มันลงดนทรีดีเลยนั่นนี่นี่ว่าทํานานแล้วใครจะมาโกหกได้ยังไงเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วเวลาทุ่มของทางด้านปั ญ, ญา่างู้ไปของมันก็นอย่างเต็มเหนียวจนเลยเถิดแล้วในบังคับเข้าขมาถึงะมาธิ โนวว่นในทางผ่านแบบนงรู้ความสําคัญของสมาธิความสาคัญของปัญญาแยกกันไม่ออกว่างั้นเลยทำสองประเภทนี้แยกกันไม่ออกแต่ต่างวาระกันตท่นั้นเองเวลาจะทําจิตให้สงบยาไปยุ่งกับปัญญาอย่าไปเป็นห่วงเอาให้สงบท่าเดียวลงให้สงบเวลาออกทําง้านปัญญาแล้วไม่ต้องพูดเรื่อสมาธิมันย่งในห่วงอยู่แล้วมันก็ผึงเนลยมันเหนื่อยแล้วรู้แล้วเอาพักเนี่ยอยู่พั ปัญญาก็คือกิริยาของผิดกิริยาของผิดก็คือการทํางานมันจะไม่เหนื่อยอย่ได้ไงมันก็เหนื่อยเหมือนกันกันพูดถึงหลวงสมถะอุปสราน์เสึ่งมากเลยนะเพราะคนคูดมาจากความจริงคนหนึ่งประจำมามันละคาสิสิมันไม่เข้าความจริงได้หาประมาณไม่ได้จริงเลยกลายเป็นเดรวนยุบไปหมดเป็นขึ้นจากใจจริงแล้วสงสัยที่ไหน ปกติจิตมันยังต้องเหนื่อพักจะว่าไ ง, ง, ง พ, าพระพุทธเจ้าภาษาวอกท่านเดินนกรมังกรที่ภาวนาตลอดทันที่ผา น, านท่านทาเพื่ออะไรมันก็บอกในตัวรู้สงสัยอะไรแม้ท่านจะไม่ค่ากิเลสตัวใดก็ตามระหว่างครั้งกับจิตเป็นสิ่งจำเป็นที่ทางฏิบัติต่อกันเช่นเดียวกับสมาธิปัฒนาเวลาจิตใจมันทำการทํางานนั้นมันจะเหนื่อย เนื่ยก็เรื่องของเรื่องของขันนี่แหลอะอแต่เพียไรเหนื่อยจิตนั้นเหนื่อยได้งไงถ้าจิตนั้นเหนื่อยหน้ากิตนั้นก็มีเวทนาอะไรสิแน่มาแพ่ชาขันนี่แหละมาพัางเหียมีกําลั ง, องพอคือพอลากันไปนสอนแล้วสอนเสอนหมูสอนเพื่อนเนองมันกินมันจังนนั้ทุกอย่างยาเรียวๆหลายๆหลายแหลนะ่ การฆ่าเจดิตไม่ใช่เรื่องล้อแหล่นะยิ่งยาภายนอกทำลายให้จริงจังทุกอย่างเหล่านี้จะประมวลเข้าไปข้างในถึงเวลามันประมวลลงไปแล้วมันจะจริงของมันอย่างนั้ น, น, นแหละทันทีซแล้วแหละแล้วก็จะไม่ได้เรื่องไม่จะไม่เห็นเรื่องความจริงอย่างนั้นนะใคร ง, งูมามันอมืมาไล่เต็ปีแบบนู้สิ่งนี้ใช่ไหม คุณจะขอมาอยู่ก็มีเยอะนั่นเนี่ยแต่อนนี้มันก็แน่นอยู่ตลอดอยู่แล้วจะทําไงมันเซ็งอะไรพี่ชายของมีชิชวงวงก็อยากบวชอยากมาอยู่ที่นี่เราก็พูดวแบบ่ามันก็เต็มอยู่ได้จะทำไงระหว่าง น, นั้นมีมากต่อมากคุณอยากมาอยู่เราก็เห็นใจครูบาอาจารย์ที่จะเป็นทนี่ยึดที่เหนี่ยวก็ร่อยร้อนไปทุกวันทุกวัน นราคิดเห็นใจของเราเวลาสอนแสดงครูอ า, าจารย์อันนี้เรามาเทียบหมู่เพื่อนที่ผมถูไถยไปอีทุวันนี้ก็เพราะอย่างนี้นะไม่งั้นสาานย์ที่แสนผมโอ้ยผมเห็นเขาปามตั้งเมื่อไหร่แล้ลลวเสียดายไรหรือโง่นี่างั้นสถินี่ยวโทนเราหนี้จิตเป็นของมีคุณค่าก็อาศัยครูอาจารย์ที่ ค, คอยแนะนําชุดล่าไปอย่างน้อย ก, ก็เป็นแม่เหล็กเดีย๋ยวที่เราเคยอยู่กับแม่ครูาอาจารย์ ท่านมาอบรมตัางสอนอะไนะอยู่ธรรมดาอยู่นี่ไม่ใช่อันนู้นมันก็ดูดก็ดื่มเพราะท่านเป็นแม่เด็กมันเป็นกําลังใจอบอุ่นอยู่กับท่านเย็นกับเย็นถ้าอบอุ่นก็อบอุ่นนั่นเราคิดเป็นโม้ามาเทียบเทียงกับหมูกับเพื่อนมันได้ทนนะแต่มันมากมันก็อะไรมันก็ต้องช้าอืดอาดเน่อยายเป็นธรรมดาเพราะพามากของก็ ก็คือคนมากกองานก็ต้องมากขึ้นตามๆกันการปกการขันก็ช้าเราจะทำยังไงได้หัวใจมีทุกคนมุ่งมาด้วยกันก็ต้องทนเอาบ้างนี่เราก็คิดเราเห็นไม่คิดได้ไงว่าเวลาผู้มาอบรมึกษาให้ทั้ง อ, อกตั้งใจเวลาจากครูอาจารย์ไปให้เอาหลักไปพูดปฏิบัติมีนเป็นหลักเป็นเกณฑ์ จิตที่มันมีหลังนี่มันลำบากนะหลักปฏิบัติอยากน้อยมีหลักปฏิบัติ้มีหลักใจเป็นหลักสำคัญเดินขึ้นเวทีไม่หนึ่งไปเป็ น, เป น, เนกระสอบห้อยตรงตัวเองอยู่บนเวทีเขาต่มาทู่มั น, น อยูมันไม่มากนันก็ระวังความเร้อเทิ้งเทิ้งอยู่แล้วกันให้ต่างคนต่างเป็นธรรมให้หวังชนะตัวเองเสมออย่าไปเอาชนะกับผู้อื่นผู้ใดเติมความผิดทั้งนั้นเป็นของที่เด็ดทั้งหมวให้หวังเอาชนะตัวเองเสมอการมองกันให้มองในเงี้ยไม่ตายนเงี้ยให้เอาพายกันนั่นแหละคือความเป็นธรรมในการมองกันอย่ามองกันในเงียร้าย ผิดถ้ามันมาหาความร้ายกาจต่อผู้ใดมาแสวงอัตถิมมีควรจะให้อาภัยกันได้ขนาดไหนต้องให้เป็นอย่างนั้นเรื่องความไม่ลงรอยกันความระเลาะเบาแยงก็เรื่องของเด็เป็นเรื่องใหา่มากในวงปฏิบัติอย่าให้มีได้เป็นอันขาดนะเราเองก็เสียกําลังกายที่สั่งสอนหนุ่อๆมาเต็มไม่เต็มหน่วยเต็มที่ทําฐานแล้วยังมาตีเด็กต่อหน้าชังเขาว่า มาทะเลาวิวาสกันต่อในวัดในวงวัดวนวาก็เหมือนกับมาตีกันต่อหน้าเราเหมือนว่าเราได้สอนให้เป็นนักมวยต่อยกันอย่างนั้นให้ต่ อ, อยกุ้เหล็กต่างหากต้องขายหมดเลยเราอยาให้มีเพื่อนขอายดูกุ้ยเหล็กตัวมันจะโผล่หัวออกมาเนี่ยวัดตัวดิบกว่าดีว่าตัรูปตัวสลาดนี่แหละตัวกุ้ยเหล็ก เมื่อมันวางั้นแล้วใครมาแตะไม่ได้นะมันแต่ลุกคือขึ้นหรอกองไฟกองนี้หลวงพ่อแม่อจาจรผมที่ว่าผมหนักผมมาหนักเรื่องเราเนี้ยควบคุมหมู่เพื่อนท่านผู้อยู่สมายท้นถาเราไปเองทั้งนั้นนี่ถ้าไม่กล้าถนานิมุนไปไปแล้วไปทำให้ท่านหนักใจยังไร นั่นก็ทุวคนอย่างยิง่เนี่ยเราระมัดระวังอนี้่จึงต้องได้ควบคุมผ้าเนนสพาหนูต้องประชุมกันเรื่อยนะเวลามีเหตุอะไรขึ้นมามประชุมสพาหนูด้วยมันก็เป็นบทเรียนมาทั้งนั้นแหะผมหนักไปเบียดเวลาอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เกี่ยวกับหมู่เพื่อนพวกความสงบเรียบร้อยในวงคณะให้ท่านได้อยู่สะดวกสบาย ตาต้องสอดต้องสองอะไรๆเราต้องหนักกับเพื่อนอ่ะหละเพราะปกติผมก็นิสัยมันคล่องตัวอยู่แล้วด้วยปัดกวาดนี้พอสว่างพดตอนเท่าให้มันอยู่ดรืๆดยๆนั่นนั่นอาให้ปัดกวาดตอนเท่าผมพาปัดกวาดท่านบอกว่าอะไรผมเป็ น, ปนผู้พาท ำ, ทำเพราะว่าปฏิบัติเราต้องคอยคอยกนหมดกดขันอี่เรื่อย แม่จะเหตุคุณเดียวของโยมกุฏิท่านเราก็ต้องไปยืนอยู่วันไดเราไปปัดกวาดใต้ถุนทนเสร็จแลียบร้อเราก็มายืนอยู่วันไดคอยดูว่านี่เราสืบค้างมาเราสั่งไว้เรียบร้อยอย่าให้ก้าวขาย่างนะกครายไปเอาของอะไดลงมาให้คนนั้นเอาของนั้นอยากก้าวขายกันจะร่วมล่ามกันบอกเราสั่งถ้เาเป็นคนกล่งเองนเรื่องเหล่านี้คอยดูแลหนัก อันนึ่เหมือนกันอันเรียนท่านคงจะทราบเรนแน่ใจว่าท่านทราบเวลาเราลาท่านออกไปเที่ยวดูอาการท่านไม่อยากให้เราไปนะแต่ก็มันก็ท่านก็มองเป็นธรรมคือความไม่หาไปก็เราก็พอทราบได้เวลาเราไปแล้วท่านเนองนไงเนี่เวลาเรามาอยู่ที่นั่นท่านเองเไง ท, องท่านก็เกิดข้างทราบ ดวการท่านไม่อยากให้ไปถึงบางครัง้งบางขรั้งยังถึงต้องถึงผู้ปัญหาเนี่ยการพูดปัญหาเ อ, อ, องตอนเราคองพลางไปเฮ้ว่าง่ายสมหาเนีไปเที่ยวที่ไหนมนาะอยู่ด้วยกันมา้งเนี่ยทันส้เัานน่นหมด ถ้าท่าไม่ขายเง Chest ินเผมพูดไม่ได้เลยนะผมก็ลงไมนะ่ถือผมไม่พูดพอาะพูดท่านั้นก็รู้แล้วว่าท่านเมตตาเท่านไหนคือะสุ้ายแล้วกค่อยเปิดโอกาสท่านถ้าดูก็ได้กําลังไปก็ได้กําลังอยู่ก็ดีท่านวันถ้าอยู่ได้กําลังไปไม่ได้กําลังอยู่ก็ดีถ้าอยู่ไม่ได้กําลังไปได้กําลัง อยู่ก็ดีถ้าไปก็ไ <rats> ด <laughs> ้กำลังไม่ไปก็ไม่ได้กำลังอยู่ดีกว่ามันนีแย่มันก็ปนอยู่ก็ดีนี่ทั้งสิ้นันทุณอันเป็นโอกาสให้เรานันะโอกาสเดียถามต้าวเลยนงรื่สิทธิการอะได้่าวของแม่สิบอีกครไปขีอยาบไปป้อนนบ้าง เวลายากวางนี่แหละเออไปแล้วที่ทาไว้ไว่ข้าขอจะหาตั้มเถะเนี่ยส้ัยมันไปช่งเรียบฉันนี่เ้านีกัผมมาไปแล้จ้องค์ละไปองค์เดียวเออลอจะชื่อนี่นึ่งาจะปยุมท่านนะตั้งหาแต่องค์เดียวนะปะยุมท่านนะท่านบอกาแล้ว เราก็ไปอย่างสบายถ้าเงก็มีที่อาศัยอยู่แลวนี่เราก็ไปบางแห่งก <nelle samp> ah> ็ขนาดสามสสี <Lip> ่กิโลจนห้ากิโลก็มีบางบางปีก็ไปไกลสี่สิบห้าสิบกิโลหรือเป็นร้อยกิโลก็มีมันคือข้ามจังหวัดก็มีไปเย่องๆลงกระสินทร์ก็นีต้นแก่เกยเวลาไป กาววกี่วัลกบป ล, ล้วท่านกูดเลยพอพูดคาไหนก็ตามแต่พระเด่นต้องต้องเล่าให้าฟังทั้งนั้นเวลาเะมานั่นนี่กเหมอนไอ้รงไหนนั่นน่น่าหนาความที่ก็ใส่ปัญหาอยู่แล้วจะใช้ส ก, กว่าคุณพี่แต่ท่านอาจารย์นั่นนี่ต้องนับเป็นภาษาบาลีนาขึ้น ภาคิดขึ้นภาษาไทยทั้งไม่คว้เป็นภาษาเราขึ้นเป็นภาษาของเรานี่เลยแปลกดนะท่านส่วนมากขึ้นเป็นบาลีเทานั้นฮึไม่าท้าขึ้นดมามาเดียวมาแก้ละแกพระธามาาหา่ะหงอยู่ก็มผมกันเที่ยงหมดพ่าเมางูอ่ำสร้งแล้วคนมาคาถามันขึ้นเลย พูดขึ้นแล้วเน่ว่าบนวัแก่หัไร้ห่วงเนิดค่อยแกะเทมหาดอกหน่อยความมากมัก็ใช้ปึ้นเดียวนพับารี่ป๊บเอใครมาหาแกะอธิบายว่ะนี่ว่ไปมหามเป็นใจขออะถ้าเป็นมหาแกะใชนี่ว่เป็นมหางแปบอกเปนวัว้าน่ว่าเป็นมหาคนน้นี่ลกยันน่ะ น, น, น, น, น, นันนเ า, นนเาเปิดเฉยนอนี้หุนก็ะแปลทนแล้วเป็นกับเหลาชืออย่ไม่แล้วแปะในเวของข้าถามว น, น, นข้าคืนภาพข้าหมายคืนความกันลนแล้วความเข้าใจคืนความกันเลยาอาจิอันนีขคืนกับผู้ใดจไปถามเบื้องหน้าตัะคืนกับเจ้าของลกูกเจ้าของหละผู้ปกคอง ไปงั้นนะรมนมีสายของผมชหมนคือไปแล้วมันทาเต็มตามสายสายเร่ของอยู่ข้างบนกับเแม้แต่สาโอ้ผมยมสะดวกนะท่านผมงไม่มักไปครับสององคามไปก็จะไปก็ไปโดยกันก็จะต้นทางให้เฉยออกทังแยกกันแมผมไปองเดียวผมมนีสายอยากไปล้ะละอันเดินกินเก่าไม่ค่อยกินนแล้วาไม่ออนไลน์ั่นนะถ้าออนน่านนั่นนนะ พอตั้งแรงนี่นะเราชอบเหมือนกันในอดมากทำไปเหมือนยิงาแรงนี่มั น, น, นโบลล่วาวันซีวันชาวันเทรานั่นแหละสามวันวิญญาณนีหั่งบริยุทธิ์ได้ละเอาเยอะแยะเงี้ยเป็นประจําเลยเป็นใส่ พ, อ, พอนำดินเดินตัวเกีวนั่งพอนาเหมือนหัวหต่อไม่มีสต่พวกงงงกันเลย ไปนเงียบแลวมงีเรายุย่ห้างบ้านเราหรอสมาธิมันถูกกันแล้วแบบเงียบน่นอพอถึงขัง้นปัญญาที่มันก็เป็นน้าไหลของมันตอนมันก้นาวขมปัญญาจริงไม่ได้ไปอยู่โดดเดียวทผมก็ดีตอนขารจะเริ่มเริ่มป่วยแล้วนะตอนกันสมาธิอยู่โดดเดียว ขั้นปัญญาจริงไม่ค่อยไะดุ ด, ดเดี่ยว อ, อะไรมากนะเหมือนขั้นสมาธิจีิงขัป่วยหนักปัญญาของเราขั้นปัญญาเนี่มันก็ยิ่งหนักของมันเพราะนั่นจริงพูดได้เต็มปากว่าท่านเทียบทั้งมีบาปขันแต่เราเทียบเพียบทางใจท่านหนักทพรานั้นเราก็หนักทางนี้โ อ, อเคทางกองกรมก็ป๊ขึ้นหาท่านตอนบ่าย ผมขึ้นเวลาไหนก็ได้ผมนอกบัญชีแต่พันเนรจะไปขึ้นหาท่า น, นไม่ได้นะผมขึ้นหาท่านเมื่มอไรก็ได้ก็ไม่เคยว่าอะไรผมแนแล้อยู่คเดียวอย่างเนี้ยนอนนอนขันป่วยผมปักขึ้นไปเลยมีอะไรพึ่งอากาศเดือนท่านอะไนั้นรู้สนะึกว่าเมตตามาก เวลาจะไปเกี่ยวรู้อาการของบ้านนั่นอย่างห้ไปคงเป็นเกี่ยวกับความสงบของบ่านเรนละมานเป็นแบบหนึ่งคงเป็นอย่างนั้นพอดแลเอาจริงนี่กับผ้ากําเนียนกี้เหมือนกับผมเป็นหัวหน้าวัดนี่นะอทำอยู่รับๆนี่แหละเลีเ้ยกมาขี้จริงๆไล่เดีย้ยนก็จริงมากความห ม, มู่ความกวนยังทำไมว่างันเลย ผมมันเคยย่างเสียงกันเกี่ยวกับหลายนทน่า น, นคนาตาโปโปน่ตาเชิยนโ ม, ม่ น, น, น, มน่อมันไปฟังไผด้วยเน้นอย่างมโนสือมันนะขึ้นไปแล้วหัวเดือดมันฟังไครมันย่านแ้่ผมั่นแล้วในวันโว้ยมันย่านเพื่ออะไีเน้นกับปูดเล่นั้นมันเื่อมเลนะลูกสาวทุกมากลูกน้องสาวท่นลูกน้องส้าลนกหลาลกลาังเชียวหวานมา ก, กันยังมากวนมู้ผลเวลาผนพูดกับ น, น้องสาว่นนะ นี่ก็ได้ขอคิ ด, ด้วยกันนี่ผมนี่จอมป่านพีกได้กูเลี้ยงแล้วเวลาน้องสาวน้องสาวมาจากวนมาเลี่ยมเรคุยกับน้องสาวนี่เหมือนพี่กับน้องไม่มีกิริยาของนั่นนี่นี่เล่าวันัางฟ้าเลาวันมีดอกอันเลิกจะไปโยกโทวดเพิ่งยังไง น, นั่นนะมันไม่มีได้ล่ะผมเนี่ยพูดเป็นแบบพี่กับน้องอจริงีๆพูดกั น, น, น, น, นเป็นแบบเหมือนข่าวว่าเลยนะ ้หาบ่เดพี่จากศีลธรรมก็กิยาคนพูดเหมือนคนยืนในกล่เพื่อนกันม่องกันน้อกันละแป๊บนั่นแอลวันพูดนี่กูดอมแมมอมแมมกี่กับน้องเป็นสนใจกูได้หอกเวลาพี่กูกับน้องสาวคนน้องสาวลานแม่เขาม่ทุ่ม้ละนั่นก็เท่าเาด้เนี่ยน้องสาวหลานน้องสาวหลาูสุดทองืุดหวานอีหวันมึงนั่นมึงเนี่เรากกันได้นมน่นี่นักนี่ กูมาไปยังสั่งกูก็มั่งิเขาบอกว่าท่านังเขาบอกเป็นเหมือนผนอองั่แล้ว่านัก็ได้ผอก็เจ้านี้สยังอยู่แล้วได้เพิ่นก็หันลงไปใส่กันเลดโอ้ยได้กันเต็มชั้นทั้งรวดเลยหอมแมหอมแมผมก็เห็นเป็นมาใส่ยากคำนองคนน้องป่านี่ยพริกได้กูสันกูคบเนี่เห็นวันนี้ใส่คำนองเป็นพระราชเต็มตัวเป็นเงนเต็มตัวเพิ่นก็ย้อนเพิ่นลงเต็มตัวโพน้า กูอ๋อแม่งแม่กูกกูงสีเลยกูไปักันกูเที่ยวสีเงก็ว่าไปยัคนก็ถามคนไหนเ้คนนี้เนก็ถามเลยดิถึตะก้อนนุ่เคยนั่งกับเพื่อเถอะดอกคนก็ถามเพื่อเอาหนำใจน้องสาวหันลังกูงูจ้ากนี่ถ้ามดาวก็จะสนใจอย่างก็เพราะนั่นก็ว้าเพื่อให้เป็นน้องเป็นกำลังใจดีใจมาเยี่ยมพี่ชายพี่ชายเลยว่าความสัมันทั้งทีเป็นความนสนมคือตก้าตหลังตะเดิมปฏิบัติถึตัวดีใจตัวเบิงน้องสาวก็ยิ้ม เห็นว่าผมดูดูแนสนุกดูคนจอมปาดพริกสันิพิกมมแล้วอ๋อถามคนนั้นได้ยังนนั้นเันไงที่ไหนถามไปนะเราวก็บอกาุงคุนไปนั่นเทียวสิมันเขาบอกไปผมคิดน่าหอคิดาบ้านกรไดกุ้มนัานกูกระเต็มไม่เต็มมือลยอยางหนึ่งกูกระเทาะแล้วกูกขี้ขั้นไปเขาบอกกูเป็นแบบน่ะ อุดแล้วจมุินไหนนาสูอย่งเว้าไปเลนว้าไปบคุยเรอมาเลยมันผมเนี่มาพีน่าเอานะมาพีน่าะเ่ของียสายบ้าแล้วมันบดอยู่ได้ก็บดไปจน้าจอานพิษร้ยช้าร้คมนี่พ่อนั่งขาไปแล้วหอยคิดยาไม่เคยเห็นอีกรอกทักเลยเด็กายไปไหนมมีละแม่คมา ลูกคนนีลูกแมทุม่าแมตุมาเป็นลูกของแมหวันแมวนียมันเดือตาบปโปตาเชนโมเนี่เรก็เลยพูดจังเสียงเหมือนเนเสวานเลเป็นร้านพนมาไม่เป็นล้านเป้นเลนเป็นวันก็น้องสาวลูกแมตุม่าแมทุม่าก็เป็นล้านเลยลูกแมทุมาก็เป็นเลนโอ้เลนมันก็เดือนแต่ได้ก่อนหนอย มันว่างแต่เขานอยคนเดีว่างอันมันบุญยานไปแล้วมันตีขวดถึงเหมือนเ่วฟังไปเร่หวยมั้งอ้คนตาโปโปนี่แ่อยู่ว่าเนี่ยตาโปโปตาเฉียดโมมันจะฟังใครง่ายบอกเพื่นว่านี่เพื่นก็ไปสั่นดเพ่นไม่ได้เอ็นไปน้ามันดีดีมันจะฟังใครง่ายตาโปโปนี่ตาเฉีดโมอเี้ยยคนมุทลุตัวสั่นเพื่นอกเลยดิถ้านหนักผมก่อนถ้าดันหนะกผมโ่อะไรเนาัผยังมึงสิเพ่นก็เป็น้ามเลยเอ มันใ่นี่คืเป็นประการนิดหน่อยมนเรียกเหมือน่นแหละสั่นกอัตัวนึงน่ะมันหนาหลังหัของต่างนี่ผมก็ถึงใจไม่ได้ตาเฉ็ดโหม่ตาโปโปตาเฉิดโหม่ยุฟั่งไผย่างไบอกคนมาดวมันทะลุตัวสันมมันกระสมกับที่มันบ้าฟังไผหรี มันเริ่มหน้าาแล้วเนี่ยมีหน้ า, าน้าขนองแล้วต่อไปได้เสียงลั่ น, นตัวนีม้มีอะไรอะไรมั่งทีนี่วันนี้คุณนาน็อทุกคนแต่เัน็นี่ยังไม่ค่อยแสดงเลยมาเทศิดมากระตุนะวว้นแล้วันเวลาหนึตงตอนไหนที่จ ะ, ะนากัตั้งใจนะ ทกองทุงเอาให้จริงใหจังอย่างที่เทศแล้วไม่ผิดแหละวัค เ, เลตเป็ น, ปน ย, ใใยังไงเป็นภัยต่อจิตใจของเราอย่างไรทำวิเศษขนาดไหนเนี่ยให้จําให้อีกเดี๋ยวนี้จิตของเรามันมีแต่วัเดตเหยียบย่ำมันไม่เห็นความแปลกความประหลาดของพระเจาอย่างนี้พอมันได้ขันนขข้นนี้ลถของธรรมขั้นนี้รถวัคคีเดตขั้นนี้มันชนะกันไปมันก็ปล่อยความยินม่นถึงมันในรสชาติประเภท น, นี้กิคคีเดตประเภท น, นี้ลดเกินไป ลดของทําถุงมันไปมันก็ลดเหยียบมันนี่ลงไปลดของทําถุงไปเหยียบมันนี่ลงไปปล่อยนี่นไปเลื่อยเลื่อยเื ย, เยเมื่อเต็มที่แล้วปล่อยหมดนั่นอะไรจะเลิศยี่งกว่าธรรมชาตินั่นไม่งั้นจะปล่อยอะไรได้ยังไงนะดูสิเต็มที่แล้วก็ในที่สุดตัวเองก็ปล่อยตัวเองเพราะอะไรเพราะไมามีกิเดสลดธาตุอะไรอยู่ในนั้นมีแต่ทาล้วนๆยึดอะไรนะมาปัจจุบันก็รู้เท่าหมายถึงอันนี้นะ 要啊，咱去参与。